7. สัปปานวะค์ 3. อุโ ก, โกตนะสิกขาบทว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ขึ้นมาพิจรารณาใหม่เรื่องพระชัพพคี392สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุิ์ชัพพคีรู้อยู่รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ได้ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้อง เพื่อพิจารณาใหม่ด้วยกล่าวว่ากรรมยังไม่ได้ทํากรรมทําไม่ดีพึงทําใหม่กรรมนั้นยังไม่ได้ตัดสินกรรมนั้นตัดสินไม่ดีพึงตัดสินใหม่บรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุชาวพัคีรู้อยู่ยังคืนหรือฟื้นอธิกรณ์ที่ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาใหม่เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุชาวพัคีโดยประการต่างๆ